วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้ายห้าสิบแปดเป็นวันสุดท้ายของปีสอง8ันห้าห้าสิบแปดเป็นเวลาสั้นไปอีกหนึ่งปี สำหรับชีวิตของพวกเราเวลาที่เราจะได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจก็จะมีน้อยลงไปอีกหนึ่งปีพวกเราจึงควรเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับชีวิตจิตใจของเราเพราะถ้าเราตายไปโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราก็จะหมดไปชั่วคราวคือหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับจิตใจ ได้จนกว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและกลับมาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของพวกเราได้ง่ายและได้บ่อยโอกาสหน้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ แต่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางให้แก่ชีวิตของพวกเราก็ได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางเป็นผู้คอยจูงคอยชวนเราเราก็จะไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่สุข ที่ดีได้ดังนั้นเวลาของพวกเราในชาตินี้ในภพนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเพชรนินจินดายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ นำพาชีวิตของเราจิตใจของพวกเราให้ไปสู่ที่สุขที่ดีได้โอกาสอย่างที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากคือการได้เป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะจะต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เช่นเวลาเราตายไปแล้วเราโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีทันใดนั้นคงจะเป็นไปได้ยากมีบ้างสําหรับคนบางคน อย่างที่เราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเด็กบางคนที่เกิดมาแล้วก็ระลึกอดีตชาติได้ระลึกว่าเคยอยู่ที่ที่นั่นที่นีออ่พอพาไปก็จะจำได้แสดงว่าตายไปแล้วไม่นานก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีทันใด ก็ต้องเป็นเพราะว่าบุญกับบาปนี้ที่ได้ทําไว้มีกําลังเท่าๆกันคือบาปก็ไม่มากกว่าบุญบุญก็ไม่มากกว่าบาปบาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ซึ่ง การที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ก็อย่างน้อยก็ต้องไม่ทำบาปหรือว่าถ้าทาบาปบ้างก็ต้องมีบุญมาช่วยช่วยต้านกำลังของบาปที่ทำไว้ไม่ให้มีมากกว่าบุญือพูดง่ายๆก็คือให้ค่าของใจมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงระหว่างบุญกับบาป เกือบศูนย์บาปที่มีอยู่ในใจก็ไม่มีกําลังมากกว่าบุญที่มีอยู่ในใจเหมือนการชั ก, กะเยาะของสองฝ่ายถ้าทั้งสองฝ่ายมีกําลังสูสีกันก็ไม่มีใครที่จะดึงไปทางของใครได้มันก็จะอยู่ตรงที่จุดเดิมนั้นฉันได้ถ้าการกระทําของเราในพบนี้ชาตินี้ได้ อยู่ระหว่างกลางของบุญและบาปคือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ได้ทำก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งได้เมื่อบาปไม่ทำก็ดึงไปอบายไม่ได้เมื่อบุญไม่ทำก็ดึงไปสวรรค์ไปสู่สุขติไม่ได้อันนี้ก็จะทาให้เมื่อตายไปแล้วไม่มีปัจจัย ที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็คงจะมีบ้างสําหรับคนบางคนที่พอตายไปแล้วไม่นานก็กลับมาแล้วมาลึกระลึกชาติได้ว่าเคยอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้เคยรู้จักคนนั้นคนนี้มาก่อนอันนี้เป็นเรื่องของบุญและบาปที่เราทํากันไว้ ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเราก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างอย่างพระเทวทัตนี้ก็ทำบาปมากกว่าทำบุญท่านบวชเป็นพระได้หลายปีได้อภินยาได้สมาธิ แต่ท่านไม่มีปัญญาที่จะมากำจัดต่อต้านความโลภความอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยขอพอรจากพระพุทธเจ้าขอให้ได้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าส่งปฏิเสธไปก็โกรธพยายามที่จะฆ้าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันกรรมที่ได้ทำวันนี้จึงทำให้มันมี บาปมากกว่าบุญส่งให้ต้องไปตกนรกและอยู่ในนรกไปจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้นั้นจะหมดเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาสร้างบุญต่อบุญที่ได้ทำไว้คือทานศีลสมาธิก็จะกลับมาสร้างใหม่แล้วก็จ ะ, จะเจริญ ท่านปัญญาต่อไปและได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ประกาศพระธรรมครําสอนจะเป็นพระปฏิจเกพระพุทธเจ้าไปอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อกลับมาเกิดแสดงว่าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วในสมัยนั้นเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องบําเพ็ญเอง ต้องค้นคว้าหาพระอริ ย, ยสัจสี่เองเหมือนกับพระพุทธเจ้าของพวกเราองค์ปัจจุบันเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะส ม, มณะโคโดมท่านก็มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสามารถที่จะสอนให้ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าการจะเป็นพระอาหารหันต์การที่จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนั้น ทำอย่างไรพระองค์เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองด้วยความสามารถที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมาในอดีตชาติจึงทำให้ท่านเป็นบุคคลคนเดียวในยุคนั้นที่จะสามารถค้นพบพระอริยสัจสี่ได้ตัดโรเห็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆนี่ เมื่อทรงเห็นเหตุแล้วก็ทรงเห็นทางที่ดับเหตุ น, นี้ก็คือปัญญาปัญญาที่เห็นว่าความอยากต่างๆเป็นเหตุให้ไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจท่านก็สามารถสร้างปัญญาขึ้นมา ด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะสิ่งที่ได้มาที่ให้ความสุขนั้นจะเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังได้มาแล้วก็ต้องมีวันหมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หายไปสิ่งที่จะกลับมาแทนที่ก็คือความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยง เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ท่านเห็นปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาจึงทำให้ท่านหยุดความอยากได้ เมื่อหยุดความอยากได้ก็ไม่มีเชือ้อไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปอันนี้เป็นการตัดสู้เป็นการวิจัยศึกษาด้วยตนเองจนจนค้นพบสัจ ธ, ธรรมความจริงของชีวิตค้นพบเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากนี้เอง คือกาม<ร>วตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะภาะวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้พอทรงหเห็นว่าความอยากเหล่านี้เป็นตัวปัญหาก็ใช้ปัญญาใช้ตายรักษณ์เข้ามา สอนใจให้ปล่อยวางได้ให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ถึงแม้ว่าจะได้อะไรมาในเบื้องต้นถึงแม้จะเป็นความสุขแต่มันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปตามลำดับต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่มาเกิดในสมัยในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเอง ซึ่งนานๆจะมีคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นคว้าความจริงอันนี้พบสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นเสมอไปพระพุทธเจ้าฝังรู้พอตัดสัรู้แล้วท่านก็ไม่สั่งสอนผู้อืน่นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเห็นว่าไม่มีใครจะสนใจ ก็ได้อย่างยุคเนี้ยเราคนจะสนใจในเรื่องของกิเลสตัณหาเสียส่วนใหญ่สนใจในเรื่องการหาความสุขทางราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสอนจนปากเปียกปากฉีกมันก็สอนไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็เลยไม่สอนดีกว่าสอนไปก็ เสียเวลาไปเปล่ า, เ, ลาเพราะไม่มีผู้ที่จะสามารถปฏิบัติตามได้เหมือนกับไปเปิดมหาวิทยาลัยที่มีแต่เด็กอนุบาลไม่มีเด็กชั้นมัธยมเปิดไปก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาเรียนได้เพราะระดับความรู้ของเด็กอนุบาล น, นี้ไม่พอที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ไ, ได้ท่านก็เลย ปิดไม่เปิดพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นที่ดั่งความรู้ระดับสูงผู้ที่จะเข้าเรียนในระดับนี้ได้จะต้องมีพื้นฐานพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาความรู้ขั้นสูงของพระพุทธศาสนานได้นี้จําเป็นจะต้อง เ, อเป็นผู้ที่ ทำทานอย่างโชคโชนคือเป็นผู้ที่ไม่ไม่รักไม่หวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่โลภไม่อยากมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากกว่ามีไว้เพื่อที่จะบำรุงดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคือศีลห้าและศีลแปดตามลำดับ แล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นคือมีสมาธิมีความสงบนี่คื อ, อความรู้ความสามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงปัญญาของพระพุทธศาสนาได้อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุปใหม่ๆก็ทรงมีความท้อพระทยัยไม่อยากจะสอน เพราะเห็นว่าสอนไปก็คงจะไม่ได้รับประโยชน์จะไม่มีผู้ที่จะสนใจศึกษาอันนี้เป็นความคิดเบื้องต้นอาจจะมองคนส่วนใหญ่มองคนในพระราชวังของพระองค์เป็นต้นคนที่อยู่ในวังนี้พระองค์ก็อยู่ร่วมกันมาทรงรู้ว่าพวกนี้เขาไม่มีวันที่จะมาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้สอนไปก็ ป่วยการเขาทำได้ก็แค่ระดับทำทานเท่านั้นเองสอนไปก็เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ก็เลยคิดว่าจะไม่สอนแล้วต่อมาตามตำราก็บอกว่ามีเท้ามาหาพรหมเท้ามาหาพรหมนี้จะแปลได้สองแบบตัวเพาะเท้ามาหาพรหมเองหรือความเมตตากรุณาที่เป็นคุณสมบัติของเท้ามาหาพรหม ที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็อาจจะมาขอร้องให้พระเจ้าได้โปรดช่วยสัตว์ช่วยเหลือสัตว์โลกเพราะว่าประโยชน์ที่พระเจ้าจะสามารถทำให้แก่สัตว์โลกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้และเป็นประโยชน์ที่ล้ำค่ายิ่งกว่าประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าพระองค์ไม่ทรงโปรดสัตว์ ก็จะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรับประโยชน์อันเลิดอันประเสริฐที่พระองค์ได้ส่งรับนี้ได้หลังจากนั้นพระองค์ก็เลยมีเวลาค่ายควรพิจารณาก็เห็นว่าคนที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นมีหลายระดับด้วยกันระดับอนุบาลก็มีระดับปถมก็มีระดับมัธยมก็มีระดับอุดมศึกษาก็มีพระองค์ก็เลย สามารถแยกแยะได้ว่ามีพวกที่อยู่ระดับที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้แบ่งคนเหล่านี้ไว้สี่ระดับด้วยกันระดับประถมระดับมัธยมระดับอนุบาลอ่าระดับอุดมศึกษาก็ส่งเปรียบเทียบเหมือนกับบัวสี่เราบัวที่โผล่เหนือน้าขึ้นมาแล้ว บัวที่พร้อมที่จะบานถ้าได้สัมผัสกับแสงของพระอาทิตย์อันนี้ท่านทรงเรียกว่าเป็นระดับอุดมศึกษาพร้อมที่จะเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ได้พร้อมที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็คือพวกนักบวช ท, ทั้งหลายที่ได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออกบวชรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความสงบ พวกนี้พร้อมที่จะฟังธรมและบรรุธรรมได้พวกที่หนึ่งพวกที่สองก็คือพวกที่บวชแต่ยังไม่ได้สมาธิได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็เข่งขันในศีลวัดข้อวัด ต, ต่างๆแต่ยังพยายามเจริญสติเพื่อทำจิตให้รวมเป็นสมาธิพวกนี้ก็เป็นพวกที่สองลองลงมา คือถ้าเป็นนบัวก็บัวกลิ่ม น, น้ำรอเวลาอีกสักสองสามวันก็จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาก็าจะบานตามได้ต่อไปพวกที่สามก็เป็นพวกที่ยังไม่ได้ออกบวช เ, เป็นพวกที่ทำบุญทำทานใจบุญสุนทานรักษาศีลห้าได้แล้วก็ฝึกทำสมาธิได้บ้างในฐานะของคาววะผู้คลองเรือน ทำได้ก็เฉพาะวันลานิดวันละหน่อยเพราะเวลาไม่พอถ้าจะทามากหน่อยก็เชื่องวันหยุดเช่นวันพระก็ไปอยู่วัดไปรักษาศีลแปดนี่ก็เป็นพวกที่สามพวกที่เปรียบเทียบกับบัว ก, ก็เป็นบัวอยู่กลางน้ำต้องใช้เวลานานกว่าบัวที่อยู่เปลี่นน้ำกว่าจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าได้แต่ก็มีที่เป็นไปได้ อย่างผู้ครองเรือนบางคนหลังจากที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ทำทานรักษาสีหน้าเข้าวัดวันพระอยู่ต่อมาก็เกิดความเจริญก้าวหน้าก็สามารถที่จะออกบวชได้อยู่เป็นแบบอยู่แบบนัก บ, บวชได้สละชีวิตของผู้ครองเรือนได้ไม่หาความสุขแบบผู้ครองเรือนคือไม่มีสามีไม่อยู่กับสามีอยู่ไม่อยู่กับภรรยา ไม่อยู่กับบุตรไม่อยู่กับที่ดาไม่อยู่กับแสงสีเสียงไปสว่างหาที่สงบสงัดอยู่แบบนักบวชหรือเป็นนักบวชนี่คือบุคคลสามเหล่าที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่ายังพอมีอาทางที่จะสามารถรับพระธรรมคําสอนของพระองค์ได้ส่วนพวกสุดท้ายก็เป็นพวกที่ บัวที่ยังไม่โผ่จากโคนจากตมยังอยู่ติดกับโคนตมอยู่พวกนี้ก็จะถูกอูปากินเป็นอาหารไปเส้อส่วนใหญ่ใ น, นี้พวกนี้ก็เหมือนถึงพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อการคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนที่จะนําพาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ พอพวกนี้เขาไม่เห็นว่าเขาตายไปแล้วเขาจะต้องกลับมาเกิดใหมเ่เขาเห็นว่าตัวเขาเป็นร่างกายเมื่อร่างกายตายไปก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปก็ไม่มีผู้ใดที่จะมากลับมาเกิดใหม่ดงนั้นเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องการทำบุญไม่เชื่อเรื่องการละบาปไม่เชื่อเรื่องการบำเพ็ญจิตตภาวนาตรงนี้สอนไปก็เสียเวลา พวกนี้เขาจะเชื่อเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าพวกนี้เขาก็จะไปเลี้ยงฉลองกันหัวทิ่ ห, หัวตำ่ำกินเหล้ากามายาเฮฮากันไปหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไปแทนที่จะหาที่สงบบําเพ็ญทําใจให้สงบละรูปเสียงกลิ่นลดละความอยากต่างๆ ก็ไม่ทำกันเพราะมองเห็นประโยชน์ระยะสั้นไม่คิดถึงประโยชน์ระยะยาวเพราะไม่รู้ว่าตนเองนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของตนนี้อยู่ต่อจากร่างกายและจะต้องเป็นผู้ที่ไปรับผลของกางรกระทำของตนต่อไปพวกนี้เป็นคนส่วนใหญ่เจ้าก็จะว่าได้ ตอนต้นพระองค์ก็ทรงมองเห็นหคนพวกนี้จึงไม่มีกำลังใจที่จะสอนธรรมะให้แก่เขาแต่หลังจากที่ได้มีเวลาใกล้ควรพิจารณาแยกแยะก็เห็นว่ายังมีคนส่วนหนึ่งส า, สามกลุ่มด้วยกันถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ยังเป็นส่วนที่สามารถรับประโยชน์ได้พระองค์ก็เลยตัดสินพระไถว่าจะประกาศพระธรรมคาสอน โดยที่จะมุ่งไปสู่ระดับที่สามารถพร้อมที่จะรับทำได้ทันทีคือพวกที่อยู่บัวเหนือน้ำแล้วการแสดงธรรมครั้ ง, งแรกของพระพุทธเจ้านี้จะมุ่งไปที่นักบวช ท, ทั้งนั้ น, นขั้นแรกก็พระปัญจ ว, วัคคียเป็นนักบวช ท, ที่ได้บวช ไ, ได้ปฏิบัติกับพระพุทธเจ้ามาจนถึงเวลาที่พุทธเจ้า เลิกทรมานตนเขาก็เลยหมดศรัทธาจะก็เลยตีจากไปพระองค์ก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจญวัคคีย์ทรงเห็นว่าเขาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถรับรับธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดสู้ได้จึงไปแสดงอริยสัจสีให้ครับพระปัญจวัคคีย์ทมวจา ก, กับปวัตนาสูตร เป็นพระธรรมคำสอนครั้งแรกที่พระเจ้าทรงสแสดงทรงสแสดงทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้แก่พระปัญจวคีทั้งห้าหลังจากที่สแสดงจบหนึ่งในพระปั ญ, ญาวคีคือพระอญญานกนทัญยาก็สามารถเข้าใจมองเห็นรรมที่พระองค์ทรงสแสดงได้มองเห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเมื่อสิ่งนั้นต้องดับไปก็เลยไม่มีความอยากที่จะไม่ให้สิ่งนั้นดับปกติเวลามีอะไรแล้วมักใจมักอยากจะให้ไม่ดับอยากจะให้อยู่กับตนไปเรื่อยๆเช่นร่างกายของเราพอเกิดมาแล้วนี่เราจะไม่อยากให้มันตายกันเพราะเรามองไม่เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันต้องตายไปในที่สุด ถึงแม้จะเห็นก็เห็นแบบลืมเห็นตับเดียวแล้วก็ลืมแล้วก็กลับมาอยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้พอพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากไม่ตายถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความตายก็ต้องยอมรับความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างที่พระอาญิานโกลธัญญายอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา หรือต้องดับไปเป็นธรรมดาพอยอมรับความจริงอันนี้ก็ไม่ฝืนไม่อยากให้มันไม่ตายใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่หนึ่งได้ขั้นของพระโสดาบันนี่ท่านเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่เห็นเพียงองค์เดียวแสดงว่าผู้ฟังนี้มีระดับสติปัญญาที่ยังไม่เท่ากันเหมือนนักเรียนในห้องเรียน นักเรียนบางคนก็สอบได้เต็มร้อยบางคนก็ได้แค่เก้าสบบางคนก็ได้แค่ปสิบแสดงว่าระดับปัญญาของนักเรียนแต่ละคนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในในระดับเดียวกันแต่ยังมีความ เ, าเรื่อลัำต่ำสูงกันในระดับนั้นอยู่เด็กบางคนฉลาดฟังครูหนเดียวก็เข้าใจเด็กบางคนต้องฟังสอ ง, ส, องสามหนถึงจะเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกัน มีห้าคนแต่คนหนึ่งนี่ฟังแล้วเข้าใจทันทีบรรลุทันทีแต่อีกสี่คนหลังจากที่เอาไปค่ายควรไปพิจารณาอยู่ก็บรรลุตามได้แลในที่สุดพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอนัตตลกคณสูตรคือสแสดงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นของเราพอทรงสแสดงพระประจัจจวัคคีทั้งห้าก็เข้าใจทันที เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมีครอบครองไว้เช่นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไปสั่งไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันมีเกิดมีดับมีมีขึ้นมีลงของมันไปตามเรื่องของมันถ้าไปอยากให้มัน เ, เกิดอย่างเดียวไม่ให้มันดับก็จะทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็ เป็นเรื่องของการอาสอนธรรมะให้แก่นักศึกษาที่พร้อมที่จะรับความรู้เหล่านี้หลังจากนั้นก็ทรงไปโปรดพวกนักบวชนำสอนักต่างๆมีนักบวชอยู่สำนักหนึ่งบูชาพระอาทิตย์บูชาพระอาทิตย์ว่าพระอาทิตย์นี้จะเป็นที่พึ่งของเขาได้ ลูกเจาก็ส่งไปแสดงอาทิตยสุตะให้เขาฟังว่าบูชาไฟเมื่ตอนนั้นเขาเรียกไฟไม่ใช่อาทิตก็เรียกพวกบูชาไฟท่านก็ทรงแสดงว่าอะไรคือไฟลูกจ้าก็บอาว่ารูปเสียงกิรลถโธพะเนี่ยที่เราสัมผัสรับรูเนี่ยมันคือไฟไฟที่เกิดจากราคะราคะินาดสคินามหคินา ไฟที่เกิดจากความรักใคร่ไฟที่เกิดจากความโกรธเคืองไฟที่เกิดจากความรุ่มหลงเวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะเกิดราคะขึ้นมาความยินดีความใคร่ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความรุ่มหลงขึ้นมาทำให้จิตใจไม่สงบทำให้จิตใจทุกข์พนระยาโกสงแสดงให้เราเห็นว่าอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ และทำอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรับเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสุขก็ต้องมีทุกมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์พบกับความเสื่อมก็อย่าไปเสกมันอย่าไปยุ่งกับมันพอฟังเขาเข้าใจเขากรละได้ละลาคขินาโทสักขีนาโมหขินา ยักในการที่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดปฎิภะและธรรมารมณ์พอละได้ใจก็หลุดพ้นได้ที่ติดอยู่เวียนว่าตายเกิดอยู่ก็ติดอยู่กับเนี่ยอยายตนะทั้งหกนี่รูปเสียงกลิ่นลดปฎพภาและธรมรมารมณ์ที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผู้สัมผัสวุ่นผู้เสพอันนี้ก็เป็นการแสดงธรรม ให้แก่นักบวชที่มีได้ทำทานแล้วมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วเพราะแสดงปัญญาเขาก็เข้าใจก็บรรลุทีเดียวพร้อมกันหลห้าร้อยรูปไปในระยะเวลาเจดเดือนแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นผ้าหลันอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเพราะเป็นวันที่ มีป้าอรหันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสาที่เรียกว่าวันมาคาบบูชามีป้าอารหันมาจากสารทิศ ต, ต่างๆคิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะมาเฝ้าอยากจะมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าก็เลยมาโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนมีโดยประมาณ1250รูปเป็นป้าอรหันที่พระเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้ทําให้เป็นผู้บวชให้ เป็นเอหิภิกขุสมัยแรกๆนี้การบวชพระนง่ายมากถ้าบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกจงมาเป็นพระภิกษุเถิดแค่นี้ก็ถือว่าได้เป็นพระภิกษุแล้วแล้วต่อมามีมีคนปรารถนาอยากจะบวชกันมากแต่อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินทางไกลกันมาเพื่อมาขอบวชพระพุทธเจ้าก็เลยมอบการพระรการบวชให้กับพระสงฆ์ต่อไป เราให้มีพระสองสิบรูปขึ้นไปทำหน้าที่รับบุคคลที่ต้องการจะบวชเข้ามาบวช ด, ด้วยการมีการตรวจคุณสมบัติต่างๆว่าพร้อมที่จะเป็นพระได้หรือไม่พิธีกรรมที่พิธีกรรมบวชที่เราเห็ น, นในบวชนี้ก็เป็นพิธีการคัดเลือกการก็เรียกว่าการสอบถามสอบสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาบวชถามปัญหาต่างๆเช่นคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า พ่อแม่อนุญาตหรือเปล่าถ้าเป็นข้าราชการพระราชามหากษัตริย์อนุญาตให้มาบวชหรือเปล่าือต้องเลือกคนที่ไม่มีภาระผูกพันกับใครถ้ายังมีภาระผูกพันนี้ก็จะบวชไม่ไม่เกิดประโยชน์เพราะจะมีปัญหาตามมาตอนหลังพระพุทธเจ้าก็เลยม่วมให้พระสงฆ์เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่อยากจะเข้ามาบวช การสวดนี้สมัยก่อนมันเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีก็เป็นเหมือนภาษาไทยที่เราคุยกันของเรานี่ใครจะมาบวชล้วก็ถามภาษาของเราไปทีนี้เขาก็เลยเก็บภาษาบาลีนี้เป็นแบบเป็นฉบับพอมาถึงยุค ข, ของเราที่พูดต่างภาษาเราก็เลยไม่เข้าใจความหมายว่าเขาสวดอะไรกันความจริงก็เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาบวชนั่นเองว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะบวชหรือไม่ แล้วก็ประกาศบอกให้พระสงฆ์ที่เป็นเหมือนกับสภาให้รับทราบว่าตอนนี้ได้มีผู้ที่สมัครมาบวชและมีคุณสมบัติพร้อมแล้วก็อยู่ที่สภาของสงฆ์ว่าจะมีมติอย่างไรถ้าถามสามครั้งไม่มีการพูดตอบอะไรมีนั่งเฉยๆนิ่งก็แสดงว่าไม่ขัดข้อง่อนี่ ท่าสวดสามครั้งแล้วตั้งยติสามครั้งแล้วพระสงฆ์นิ่งก็แสดงว่าไม่ขัดข้องก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นพระภิกษุได้นี่ก็คือเรื่องของการบวช ย, ยุคที่หลังจากที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้กับสงฆ์เป็นผู้ทาหน้าที่แต่ครั้งแรกๆนี้ง่ายเวลาจะบวชก็ให้เตรียมอัฐบริขารมาแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กาบขออนุญาตบวชพระาบอเออดีจงมาเป็นพระภิกษุเถิดแถวนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระแล้วเพราะพระพุทธเจ้านีเา่เห็นแล้วว่าคนนี้พร้อมที่จะบวชได้ทรงเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาของพ่อองค์เองซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่บรรลุแล้วนั่นเองเวลาที่ไปแสดงทำให้แก่นักบวชสำนักอื่นพอก็บรรลุปับ๊บเขาก็ขออนุญาตบวชทันที ถึงแม้เขเคยเป็นนักบวชมาก่อนแต่ก็อยากจะบวชในในร่มกาสาวพัดของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าเลือกปฏิบัติตามธรรมเนียมเก่าที่ก็เคยปฏิบัติมาเพราะว่ามันไม่สามารถทําให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เหมือนกับการบวชตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ก็คือเรื่องของบุคคลกลุ่มแรก ที่พุทธเจ้าส่งมุ่งไปสอนเพื่อประโยชน์สองประการคือหนึ่งง่ายต่อการสั่งสอนสองเมื่อเขาบรรลุแล้วเขาก็จะได้ช่วยทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่พระ อ, องค์ต่อไปเพื่อที่จะได้กระจายความรู้อันเลิศอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นเวลาที่พระอาหารหันมากาบลาจะไป ไปจาเล็กไปตามสถานที่ต่างๆพระองค์ก็บอกว่าให้ไปคนละทิศคนละทางกันอย่าไปเป็นคู่ให้ไปเดี่ยวเพื่อที่จะได้กระจายความรู้ให้แพกกว้างไกลออกไป mm hmm. ดังนั้นภายในระยะเวลาเพียงเวลาระยะเวลาเจดเดือนแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนเือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดที่เป็นวันที่เราเรียกว่าวันอาสาหบูชา เป็นวันที่ทรงแสดงวัตธรรมจักกับะวัตนสุรวันแสดงธรรมครั้งแรกไปจนถึงวันมาคาบูชาเดือนปีเดือนสาของปีปีต่อมาก็เป็นเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันก็ปรากฏมีอย่างน้อยพระอาหารหันสองร้รูปก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือนแปนี้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เป็นพระอาหารหันต์ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอนนี้เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมากันเยอะแยะเลยเพราะว่ามีบุคคลต่างๆที่ได้สร้างบุญบรารมีสะสมความความเพียรสะสมบรารมีต่างๆเช่นทานบรารมี ศีลบารมีในขั ม, มบารมีอุเบกขาบาลมีกันขาดเพียงอย่างเดียวคือปัญญาบารมีพอมีพระพุทธเจ้าได้พบปัญญาบารมีมาเสริมเท่านั้นเองก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ตัดสุลุลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความเมตตาของพระพุทธเจ้า ที่มีต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราจึงได้จึงถือว่ามีโชควาสนาอย่างมากที่ได้มาเกิดในยุคนี้ได้มาเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าได้มาพบกับพระธรรมคาสอนแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นสัตว์ที่อยู่ในป่านี้เขาก็ได้มาอยู่ใกล้กับพระพุทธศาสนา แต่เขาไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นมาเกิดเป็นนกเกิดเป็นลิงเกิดเป็นสุนัขเช่นสุนักที่มาอาศัยอยู่วัดเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่สามารถที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ มีความสนใจมีศรัทธาถ้าไม่มีความสนใจไม่มีศรัทธาก็เป็นบัวเหล่าที่สี่ไปถ้ามีศรัทธามีความสนใจก็จะเป็นบัวเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่เหล่าที่หนึ่งที่สองหรือที่สามนี้ไม่เป็นบัวเหนือน้าก็เป็นบัวปริบน้ำไม่บัวปลีบน้าก็เป็นบัวกลางน้ำคือพวกที่เชื่อบุญเชื่อบาปพวกที่เชื่อคำสอนทาบุญใส่บาศ ทำบุญทำทานรักษาศีลไปตามกาลังของตนบางคนก็รักษาได้มากบางคนก็ทาบุญทาทานได้มากบางคนก็ยังทาได้น้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังความสามารถของแต่ละคนแต่สามารถที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรม เพราะถ้าได้ยินได้ฟังทำแล้วเกิดความเข้าใจว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์มากขึ้นก็จะไม่มีใครไม่อยากทำกันแต่ถ้าไม่ได้ฟังทำเพียงแต่รู้ว่าเขาบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำไปก็มักจะทำแบบทำไปอย่างนั้นเองทำไปตามตามที่เขาบอกโดยที่ไม่รู้ว่าทำมากทำน้อยแล้วจะได้ประโยชน์มากน้อยอย่างไรต่างกัน การฟังเทศฟังธรรมการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วจะทําให้เกิดมีศรัทธาที่แก่กล้าขึ้นมากขึ้นมีความยินดีฉันทะที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นทําบุญทําทานให้มากขึ้นได้รักษาศีลให้มากขึ้นได้ ภาวนาให้มากขึ้นได้ถ้าเห็นอนิสง์หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดตามมาเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทํามาอกขินแบบนี้แล้วเราจะได้เงินทองมากเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทํางานทํางานทําการแบบนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้เงินได้ทองมากเราก็ทําไปแบบขอไปทีทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น อย่างข้าราชการลูกจาก้างนี่ทำยังไงก็ได้แค่เงินเดือนเขาก็ไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะทำอะไรมากไปกว่าที่เขาต้องทำเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นคนที่ทาหากินเป็นกิจการของตนเองนี่เขาจะรู้ว่าเขาทำมากเขาก็จะได้มากเขาทำน้อยเขาก็จะได้น้อย อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราทําบุญทําทานเพียงเท่านี้ไม่มากกว่านี้ก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าของการทําบุญทําทานเรายังไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลยังไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาก็ได้เราก็เลยทําพอพอเหมือนกับเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเกิดมาในบ้านของชาวพุทธพ่อแม่สอนให้ทําบุญาสายบายก็ทําไปพ่อแม่สอนให้ไม่ให้ทำบาตรรักษาศีลห้าก็รักษาศีลห้าไป แต่ไม่ค่อยจะได้ทำมากไปกว่านนี้เพราะว่าพ่อแม่เองก็ไม่ได้ทำมากไปก่อนนี้เรื่องถือศีลแปดเรื่องการเข้าวัดภาวนานี่เป็นเรื่องที่ต้องมีคนนำเช่นไปอยู่บ้านของคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ชอบเข้าวัดในวันพระชอบรักษาศีลแตดในวันพระพอเราเป็นเด็กเห็นเขาทำเราก็อาจจะสนใจติดตามไปดูแล้วต่อมาเราก็อาจจะทาตามไปก็ได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เรามาอยู่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการขวนขวายในทางของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดจิตใจของพวกเราให้เกิดความอยากปฏิบัติขึ้นมาอันนั้นก็ต้องอาจจะต้องอาศัยหนังสือธรรมะแทนหรือการได้บังเอิญได้ไปฟังธรรมจากที่ไหนที่หนึ่งแล้วทาให้เกิดความประทับใจขึ้นมา เช่นบางทีเพื่อนผงชวนไปงานบุญงานทอดพระปางานกระถินแล้วได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ของวัดนั้นฟังแล้วรู้สึกประทับใจว่ามีสิ่งที่ท่านสอนนี่มีคุณมีประโยชน์มาก mm hmm. ก็เลยนำเอามาเอามาพิจารณาแล้วนำเอามาปฏิบัติ mm hmm. ดูพอปฏิบัติแล้วก็เห็นผลตามที่ท่านได้แสดงไว้อันนี้ก็ทำให้เกิดศรัทธา ให้มีเพิ่มมากขึ้นได้ดังนั้นในการที่เราจะผลักดันการปฏิบัติของพวกเรานี้ให้มันมีเพิ่มมากขึ้นนี้ก็ต้องอยู่กับบัณฑิตหรือฟังคาพูดฟังคฟังคาสอนของบัณฑิตบัณฑิตที่ฉลาดรู้มากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็พระอรหันตสาวกลองลงมาก็พระอรยะิยท่านตาม ขั้นที่ต่ำลงมาพระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันถ้าได้อยู่ใกล้ชิดได้อยู่ใกล้ท่านได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านบ่อยๆเข้าก็จะเกิดมีศรัทธาขึ้นมาที่อยากจะลองปฏิบัติตามเมื่อได้ลองปฏิบัติแล้วพอเห็นผลก็จะก็จะมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นจนสามารถที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เคยรักเคยหวงได้เพราะกับเห็นว่าเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะเป็นสิ่งที่เดียวร่างจิตใจให้ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งต่างๆที่พวกเรามีอยู่นี้ที่เรารักเราหวงนี่มันเป็นตัวที่ฉุดเราถ่วงเราไว้ไม่ให้เราได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเช่นลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายนี่มันเป็นเหมือนสมอเรือ เรือจะออกออกวิ่งได้นี้มันต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมอมันวิ่งไปไม่ได้ฉานารยนายผู้ที่จะออกจากวัฏตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้จะต้องถอนสมอเรือของใจสมอเรือของใจก็คือราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างพระอรหรันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่สละความสุขทางนี้กันทั้งนั้น ไม่สวงหาลาบชดสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายแต่หาความสงบที่เกิดจากการทำทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการภาวนาอันนี้เป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้แก่จิตใจที่จำเป็นจะต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ เช่นถ้าเราเอาให้เวลากับการไปหาเงินหาทองหาลาบหายศกันเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาห า, าความสงบของใจไดเ้เราก็ต้องพยายามาแย่งเวลาของเราที่เราเสียไปกับการหาหาลาบยุศสารเสริญเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเอามาสร้างความสงบให้กับใจ แล้วก็ต้องรีบเพราะว่าเรากาลังทำงานแข่งกับเวลาเพราะชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนมันสิ่งที่แน่นอนก็คือมันสั้นลงสั้นลงทุกวันแต่มันจะสั้นช้าสั้นมันจะหมดช้าหมดแล้วนี้มันไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือวันนี้เดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วปีนี้เดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่กลับมาอีกแล้วเวลาที่เราจะใช้ปฏิบัต 3ามรวันของปีนี้มันหมดไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายวันปีนี้เราได้ปฏิบัติได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสงบให้กับจิตใจของเรามากน้อยเพียงไรมันก็หมดไปแล้วถ้าเราหมนคิดอย่างนี้เราก็จะได้พยายามดึงเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมจะดีกว่า เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราทํานอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจแต่มันกลับเป็นตัวถ่วงความเจริญของจิตใจมันเป็นการตัวเป็นการดึงเหนี่ยวร่างจิตใจไม่ให้ไม่ให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามัวแต่ไปหาลาบยศสรรเสริญมัวแต่หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันอยู่ใจก็จะติดพันอยู่กับ ก, บการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติด เมื่อเสพแล้วมันเลิกไม่ได้มันติดร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจที่ยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่มันก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่มันก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติผู้ที่ปรารถนาที่จะเล่นลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงจาเป็นจะต้องกาจัดกามฉันทะความยินดีในการมคุณทั้งห้า คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่เองความินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องยินดีในลาบยศสารเสริญเพราะมั น, เ ป, นเป็นเครื่องมือต้องมีมีลาบมียศมันถึงจะสามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาเสพได้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนสมอเรือของใจใจก็จะต้องติดอยู่กับวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ติดอยู่ในการมาพบรูปประพบและอรูปประพบเรียกว่าไตาพบนี่คือที่อยู่ของผู้ที่ไม่ไม่ได้อถอนสมอเรือผู้ที่ยังมีการมะตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาอยู่จะติดอยู่ในพบทั้งสามนี้ถ้าอยากจะหลุดพ้นก็จะต้องเลิกการสแสวงหาราบยศสรรเสริญ เลือกแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นวันนี้มีทางเลือกสองทางว่าเราจะไปทางไหนเืนนี้จะไปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันที่ไหนดีจะไปตามโรงแรมไปตามสถานบันเทิงสถานที่เขาจัดงานเลี้ยงงานฉลองหรือจะไปวัดไปหาที่สงบที่ไปบำเพ็ญ ญาติโ ย, ยมบางคนก็บอกว่าจะมาสวดมนต์ที่วัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ก็มาหาความสงบกันบางพวกก็จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวในป่าหาที่สงบจเจริญส ม, มะถะภาวนาจเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกพวกนึงก็จะเลือกไปจอง ตัวไปกินเลี้ยงกันที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ไปที่สถานบันเทิงแหล่งนั้นแหล่งนี้รอเวลาเที่ยงคืนจะได้มานั่งหัดนับกัน <c oughs> เกิดเกิดมาไม่เคยนับไม่เป็นกันต้องมาหัดนับในวันในวันสิ้นปีเคยนับแต่ไปข้างหน้าหนึ่งสองสามไม่เคยนับถอยหลังกัน <c oughs> พอวันสิ้นปีก็ข อ, ขอมานับถอยหลังสักข้างหนึ่งเก้า <c oughs> แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์สวัสดีปีใหม่อันนี้ก็เป็นความสุขแบบที่ทำให้ต้องติดอยู่อย่างนี้แล้วปีหน้าก็ต้องกลับมานับถอยหลังใหม่นับมันไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมานับใหม่เยอะเนี้ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วจนเป็นนิสัยไปแล้วไม่ต้องมีใครชวนไม่ต้องมีใครสั่ง ถึงวันนั้นรู้กันรู้สถานที่เวลาที่จะต้องไปพบปะไปหันนับถอยหลังกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จิตใจของแต่ละคนที่ได้กระทามาเคยทําอะไรมามันก็จะติดเป็นนิสัยไปเคยหาความสุขทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกนิ้นกายมันก็จะทําเหมือนเดิมยกเว้นพวกที่ เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขหรือพวกที่ได้มาอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในกลุ่มของผู้ที่เห็นโทษของการหาลาบยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้องกายก็จะได้รับประโยชน์อย่างเช่นพระลาหูนี่ก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าบวชพอพอพระพุทธเจ้าตัดสัตวแล้วแม่ก็ส่งให้ลูกมาทวง มรดกพระพุทธเจ้าก็เลยจับบวชเป็นสนัมมณีเลอันนี้ก็เป็นเพราะว่าได้อยู่กับผู้ที่มีมีความรู้ทางด้านนี้หรือว่าการติดอยู่ในลาบยศสรศรสันสุขนี้เป็นทุกข์ก็เลยเอาลูกอายุหกเจ็ดขวบนี้มาบวชเป็นสัมมนีธรรมดาถ้าเป็นพระราชาหมากษัตริย์ไม่มีใครอยากใช่ใลูกไปบวชหรอกอยากใชใ้ลูกอยู่ในวงังอยากใชใ้ลูกมีความสุข มีความสบายแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความสุขสบายแบบของติดคุกเป็นเป็นความสุขเบื้องต้นแต่จะเป็นความทุกข์บ้านปลายที่จะตามมาต่อไปเพราะจะต้องติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามาทางที่พระเจ้าได้ทรงมาไม่นานพาระลาหุนก็ได้บรรลุเป็นพาระอรหันต์ ได้หลุดพ้นอันนี้เป็นอันนี้อันนีสงฆ์จริงๆที่ได้มาเกิดเป็นรูปของพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีเป็นญาติสนิทของพระพุทธเจ้าก็ได้รับอริสง์พอได้เห็นวิธีการปฏิบัติของท่านและได้คำฟังคําสอนของท่านแล้วก็เกิดศรัทธากันขึ้นมาก็ขอบวชกันเป็นจํานวนมากอันนี้เราสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้เราเคยหลงไหลอ ย, อยู่กับการหาความสุข จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอเราได้มาสัมผัสคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้มาสัมผัสกับคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆพอเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความประทับใจเราก็จะสามารถเบี่ยงเบนเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของเราได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้นิสัยของเรานี่เปลี่ยนได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาเปลี่ยนนี่มันก็ยากหน่อย นคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วอยากจะเลิกอย่างนี้เลิกได้แต่เวลาเลิกนี้มันทรมานหน่อยแต่ถ้ามีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนนี้จะไม่ทรมานมากคือถ้าสามารถทําใจให้สงบได้ฝึกสติให้มีสติที่ต่อเนื่องแล้วทาใจให้สงบเวลาอยากจะหยุดสูบบุหรี่มันจะไม่ทรมานมากเพราะสามารถทําใจให้สงบได้ พอใจสงบก็จะไม่รู้สึกทรมานใจไม่ได้ในขณะที่ไม่ได้สูบบุหรี่พอไม่ได้ทําตามความอยากจะสูบบุหรี่ไปไม่กี่ครั้งความอยากมันก็หายไปหมดไปดังนั้นการปฏิบัติตามพุทธเจ้าที่ส่งสอนนี้มันจะว่ายากก็ยากแต่มันก็ไม่ยากจนเหนือวิสัยข้อสาคัญขอให้เราปฏิบัติตามท่านนั้นเองตาม แลวปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าไปข้ามขัม้นข้ามตอนถ้าไปลองข้ามขัม้นข้ามตอนแล้วมันไม่มีทางมันมันมันเหมือนกับคนที่ยังเดินไม่ได้ยังไม่หัดยืนจะไปเดินได้ยังไงกําลังคลานอยู่ลุกขึ้นมาจะเดินได้ยงไงลุกขึ้นมาก็ต้องหัดยืนให้มันแข็งก่อนแข็งแล้วกห็หัดเดินต่อไปฉะนั้ น, นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องเจริญสติก่อน ถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสมาธิการเจริญปัญญาก็ไม่เป็นปัญญาเป็นสัญญาเสียส่วนใหญ่นึกไปจำไปแต่พอถึงเวลาจะเอามาใช้ข่ากิเลสข่าไม่ลงเป็นเหมือนมีดที่ไม่ได้รับพอฟันเข้าไปมันก็ฟันไม่ขาดฟันไม่เข้าจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนถึงจะละกิเลสได้ละความโลภความอยากได้ การจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องควรที่จะตรวจดูก่อนว่าตอนนี้เรามีสติหรื อ, อยังใจเรายังลอยไปลอยมาอยู่หรือเปล่าหรือตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดให้มันอยู่หรือเปล่าหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้หรือเปล่าหรื อ, อยังปล่อยให้มันคิดพุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็สแสดงว่าสติยังไม่ดีพอ จิตรวมได้หรื อ, อยังเป็นอัปปนาสมาที่ได้หรื อ, อยังอันนี้เป็นผลวัดของสติที้ที่เรามีกันว่ามีมากมีน้อยถ้ายังไม่มีอย่าไปลิทางปัญญาเลยเสียเวลาเปล่าๆคิดไปก็เท่านั้นละกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันแผงลิ้ขึ้นมาเท่านั้นก็ล้มละเนรละนาดไปหมดแต่ถ้ามีสติมีสมาธิแล้วสู้กับมันได้ พอกิเลสโผลขึ้นมาหยุดมันได้กําลังของสมาธินี้หยุดกิเลสได้เพียงแต่ต้องมีปัญญาบอกให้รู้ว่านี่เป็นกิเลสนะอย่าไปทําตามมันมันเป็นโทษมันไม่เป็นคุณนี่คือเรื่องของการปฏิบัติการเปลี่ยนนิสัยของพวกเราจากการไปแสวงหาความสุขจากภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เรามาเปลี่ยนนิสัยในการหาความสุขภายในกันหาความสุขภายในใจวิธีที่จะหาก็ต้องเริ่มจากสตินี่ด้วยการสนับสนุนของศีลศีลแปดด้วยการไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไม่คุกคีกันไม่ไม่ทาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทาเรื่องเดียวก็เรื่องการเรื่องเจริญสตินี้เพียงอย่างเดียวถ้าทำนี้แล้วรับรองได้ ต่อไปพอมีสติแล้วจิตก็จะรวมได้นั่งสมาธิจิตก็รวมได้พอจิตรวมจิตก็จะมีความสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากก็จะเลิกความอยากได้แต่ถ้ายังไม่มีความสุขอยู่มันก็ยังเลิกไม่ได้ยังต้องหาสายความอยู่ความสุขจากการทําตามความอยากอยู่นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะควรให้ความสําคัญ คือปฏิบัติให้มันถูกขั้นถูกตอนอย่าไปข้ามขั้นข้ามตอนข้ามแล้วมันก็จะล้มเหลวมันจะไม่ไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่สําเร็จนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ต้องมีเวลาต้องใช้เวลาเราจึงต้องพยายามหาเวลาและเมื่อมีเวลาก็ควรที่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคือใช้ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่าไปใช้ให้ไปกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรส อย่างคืนนี้แทนที่จะไปกินเลี้ยงไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็ไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันจะเริยนสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะดีกว่าแล้วมันจะทำให้เราได้ใกล้กับพัฒนพ่านเข้าไปตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะระโสยทามณิโีติอระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทานัสสลิษาณิจังวุทตาปจายิโนจตารโธรมาวัฏานติ อายุวนส ง, าางต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาอะไรก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้ได้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบ ป, ปัญหาต่อ การยกับนมมส ก, การหลวงพ่อครับออที่หลวงพ่อเทศว่าประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมจะเกิดพุทธศาสนาเนี่ยการที่จะหลุดพ้นเนี่ยประโยชน์จะเกิดกับมนุษย์เท่านั้นออบรรดาสรพพสัตออโดยเฉพาะเหล่าเดรัจฉานเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์ความรู้เรื่องนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นครูสอนนะครับผมไปสอนกับเด็กว่า เอกสิทธิ์ในการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของมนุษย์เดรัจฉานเนี่ยเขาเดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยสัญชาติญาณเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติธรรมได้ฉะนั้นเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาได้พบพุทธศาสนาพราะผมบอกว่าประโยชน์เกิดกับมนุษย์เท่านั้นเดรัจฉานนั้นหมดสิทธิเด็กม .6 คนหนึ่งก็ถามผมว่าแล้วกรณีที่กบมันจำศีลเนี่ย เขาปฏิบัติธรรมหรือไม่เขานั่งสมาธิหรือเปล่าผมตอบเด็กไม่ได้ครับมันจําศีลเราใช้คําว่าศีลกันยังไม่ได้จําศีลมันนอนหลับไปเท่านั้นเองเหมือนคนนอนหลับสัตว์นอนหลับนี่ไมไ่เรียกว่าเป็นการจําศีลตอนนั้นเป็นการพักผ่อนร่างกายตอนนั้นไม่ได้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งได้ประโยชน์เพียงแต่ทางร่างกายคือร่างกายก็ต้องการพักผ่อนหลับนอน สัตว์ก็เช่นเดียวกันถ้ามันอยู่ในสภาพที่มันไม่สามารถที่จะออกมาทรอาหารกินได้มันก็ต้องอจำศีลเช่นหน้าหนาวอะอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เรียวกว่าเป็นการจาศีลแต่อย่างใดเพียงแต่เราใช้ภาษีภาษานี้มาใช้กับการนอนหลับพักผ่อนของสัตว์เดยฉันเท่านั้นเอง จะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลนะการที่จะมีศีลไม่มีศีลนี่อยู่ก็ต้องรู้ว่าตนเองตอนนี้กําลังรักษาศีลอยู่เช่นคนสองคนนั่งอยู่เฉยเนี่ยคนหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าตนเองรักษาศีลก็แสดงว่าไม่ได้รักษาศีลอีกคนนึงรู้ว่ารักษาศีลเช่นไม่ให้ไปหยิบข้าวของของคนอื่นมากินอย่างงี้ต้องขออนุญาตก่อน แต่พอดีช่วงนั้นก็นั่งอยู่เฉยๆด้วยกันทั้งสองคนคนนึงก็นั่งอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รักษาศีลพอเกิดความอยากขึ้นมาเขาอาจจะไปหยิบความมัฟมากินเลยก็ได้แต่คนที่รักษาศีลรู้ว่า อ, อ๋อหิวแล้วแต่ไปความมัฟมากินไม่ได้คนที่จะรักษาศีลนี้ต้องรู้ต้องมีเจตนาถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาศีล ท, ที่เดรชาญเขาปฏิบัติธรรมไมได้นี่ก็คือเขาไม่มีสติใช่ไหมครับไม่มีสติปัญญาสติของเขามีแค่เพียงแต่เป็นการทำตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณ น, นี้มันจะไปในการมันจะการรักษาเอาตัวรอดแล้วมันก็จะไม่คำนึงถึงว่าการรักษาตัวรอดนี้มีกี่รูปแบบมันก็จะารูปแบบที่สะดวกง่ายที่สุดก็คือการทำบาป อยากจะกินก็กินของไข่ไม่สนใจขโมยมาจากจะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าเพื่อจะได้กินอันนี้ทําตามสัญชานตระยานแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่จะได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าไม่รับอบรมอบรมสั่งสอนก็อาจจะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยฉานก็ได้เราถึงต้องมีโรงเรียนมีวัดกันเพื่อสอนให้คนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษจะได้รู้จะได้มีทางเลือกว่าสามารถทํอาหากินได้โดยไม่ต้องทําบาป อันนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญานี้ถ้าไม่มีในตัวเองก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้อื่นคนบางคนมีปัญญาได้ถูกเดินรู้มาแล้วในอดีตชาติกลับมาจะมีนิสัยไม่ชอบ ท, บาทอําบาสนี้แสดงว่าเขาได้รับการปลุกฝังมาแล้วแต่พวกที่ยังไม่ได้รับการปลุกฝังก็จะติดนิสัยของเดรัจฉานมาดัางั้นมันต้องมีสติด้วยแล้วมีปัญญาด้วย อีกคำถามนึงครับผมผมสอนเด็กม6กับม5นะครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมทำหลังเลิกเรียนก็คื อ, อในช่วงที่อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยผมให้ทฤษฎีเรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข า, เาประมาณสามโงครึ่งถึงห้ามงครึ่งสองชั่วโมงวันละนะครับผมก็ให้เด็กพันกว่าคนตั้งแต่ม ม, มปลายทั้งหมดเนี่ยครับต้องมานั่งสมาธิ โดยผมจะเช็คให้เขาเทิมละ20ชั่วโมงบมัครับให้นั่งโดยให้คะแนนนะครับทำอย่างนี้มาประมาณสัก 2-3 ปีครับคำถามถามว่าผมจัดกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งจูงใจให้เขามานั่งกระตุ้นโดยนอกจากให้คะแนนแล้วผมจัดโครงการสมาธิเกมโดยเอาเงินมา2 5 0 0มาตั้งไว้นะครับแล้วก็จัดแข่งคัดเป็นรอบๆโดยให้มีการแข่งขันนั่งสมาธิ จุดประสงค์ก็คือผมจูงใจให้เขาเนี่ยให้เขามานั่งสมาธิเพราะผมเชื่อว่าถ้าเขานั่งเกินเกินสัก20ครั้งขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยหรือวิถีชีวิตเขาล่าสุดเนี่ยผมคัดเด็กเหลือ100ร้อยกว่าคนแล้วร้อยกว่าคนนี้นั่งสองชั่วโมงครึ่งขึ้นไปโดยที่ไม่ขยับเลยโดยอุบายโดยการให้ท่องพุทโธอย่างต่อเนื่องหรือดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องที่ปลายจบุกนะครับ ปรากฏว่ารอบชิงซึ่งชิงไปเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วเด็กคนหนึ่ง เ, เด็กที่เข้ารอบทั้งหมดหนึ่งในสิบนั้นเนี่ยเขานั่งได้เป็นห้าชั่วโมงขึ้นไปและคนที่ได้แชมป์นี่ก็คือเขานั่งโดยไม่ขยับะนะครับโดยที่เราเนี่เฝ้าดูเขาทั้งวันเจ็ดชั่วโมงต้องไปสะกิดให้ออกผมกับเินถามหลวงพ่อว่าการที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งเป็นอุบายเพื่อให้เขานั่งสมาธิ มันจะเป็นมิจฉาสมาธิไหมครับมันก็เป็นการกระตุ้นต่อมของความโลภนั่นเองการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนี้เราต้องการทำลายความโลภเราถึงตั้งต้องสอนให้ทำทานก่อนให้เสียสละก่อนให้หยุดการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนอันนี้เป็น เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติทำทุกขั้นตอนก็เพื่อที่จะละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจแต่เรามาใช้ความโลภเป็นตัวล่อให้เขามาทำเขาก็จะทำด้วยความโลภมันก็ขัดหลักหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไป ก็เป็นเหมือนการเล่นกีฬาไปเท่านั้นเองก า, การนั่งสมาธิจะถือว่าเป็นการนั่งกีฬาแบบหนึ่งก็ได้แล้วเขานั่งก็าอาจจะไม่ได้นั่งเพื่อให้ใจสงบก็ได้เขานั่งเพื่อเอาเวลาเขาก็อาจจะมีมานะมีขันติที่จะทนนั่งเฉยๆเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาชนะเขาจะได้เงินเหมือนพวกที่เข า, เาฝึกกีฬาต่างๆเพื่อที่เขาจะได้ชนะในการแข่งขันเพื่อเขาจะได้รางวัล อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นการฝึกสมาธิเพื่อให้เป็นฐานของปัญญาแต่เป็นการเป็นฐานของกิเลสซะมากกว่าคือแล้วสมาธิที่ได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสมาธิที่แท้จริงพอสมาธิที่แท้จริงนี้มันจะต้องเกิดจากการเจริญสติแล้วจิตหยุดความคิดปรุงแต่งนั่งรวมลงเข้าสู่ความสงบได้อันนี้มันจะ ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็จะเห็นว่าความสุขนี้ดีกว่าเงินทองที่จะได้แต่ถ้านั่งแล้วมันไม่สงบเพียงแต่ใช้ขันติหรือใช้สติบ้างบางเวลาควบคู่กับขันติความอดทนแต่จิตนั่งแล้วก็ไม่สงบดังนั่งเฉยๆได้แต่ไม่สงบไม่เคยไม่ได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็น เป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งอดทนกันไปเหมือนสมัยที่พระเจ้าทรงอดพระกยาหารก็เป็นการฝึกการอดทนไปเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถทําใจให้มีความสงบและมีความสุขอยู่กับการอดอยากขาดแคลนของอาหารของร่างกายไดเ้เพราะยังมีความอยากอยู่ยังอยากรับประทานอยู่เพราะฉะนั้น จะเรียกว่ามันเป็นการฝึกอีกทางหนึ่งก็ว่าได้คือไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิไม่ได้เป็นสัมมาทิฐิส ม, มาทิฏินี้เป้าหมายก็คือการลดความโลภความอยากต่างๆนอกจากว่าอาจารย์บอกว่าเงินรางวัลที่ได้ให้ไปทําบุญต่อแต่อย่างนั้นก็ยังพอที่จะแก้แก้ได้เช่นคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งก็เงินรางวัลที่ได้มาก็ บอจากให้โรงเรียนหรือให้ให้ห้องเรียนเป็นหรือให้ทุนกับเพื่อนนักศึกษาที่ได้โอกาสที่ไม่มีทรัพย์เอันอันนี้ก็บอกว่าเงินเขาจะไปให้คุณพ่อคุณแม่เขานั่นแหละก็ควรควรที่จะให้คนอื่นจะดีกว่าให้กับพ่อให้แม่มันก็ยังมันยังใกล้ใกล้ตัวอยู่ยังทําให้เกิดความโลภอยู่แต่ให้คนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่ เราเห็นว่าเขาต้องการจริงๆช่วยเหลือจริงๆแต่ความจริงไม่น่าจะเอาเอาเงินเท่านี้มาเป็นประเด็นเพราะว่ามันมันก็ยังเป็นความโลภอยู่นั่นแหะยังอยากได้อยู่ถึงแม้จะได้มาแล้วจะไปให้คนอื่นก็ตามแล้วกรณีคะแนน น, นนะครับถ้าถ้าผมไม่เอาคะแนนเป็นเป็นอาญาหรือเป็นเกณฑ์ในการจูงใจเขาเขาก็จะไม่มานั่งปฏิบัติ ดานนั้นสิมันถึงเป็นเรื่องของ เ, อเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมเนี่ยทางโลกมันก็จะเป็นเรื่องของกิเลสถึงแม้จะมีการศึกษาก็เป็นการศึกษาทางโลกแล้วก็เอาความรู้ทางโลกนี้มารับใช้กิเลสอยู่ดีศึกษาเอาความรู้มาเพื่อที่จะได้ทำมาหากินจะได้เจริญในราบยศสรรเสริญอยู่ดีซึ่งก็ ในระดับทางโลกก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะเสียหายอย่างไรเพราะว่าสอนให้เขามีสมาธิสอนให้เขามีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทำบาปมันก็ได้ในระดับศีลธรรมนะแต่ในระดับสมาธินี่มันมันยังไม่ได้หรืวระดับการที่จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงระดับอริยะบุคคลนี่มันยังไปไม่ถึงทางนั้น คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะรุ่นน้องของหนูป่วยเป็นมะเร็งตับระยะอันตรายซึ่งหมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่3ถึงสเดือนสำหรับคนธรรมดาแบบโลกโลกที่ไม่ได้สนใจศึกษาธรรมะก็ต้องช็อกกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นธรรมดาเพราะเขาอายุยังน้อยและกำลังจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ ขอหลวงพ่อเมตตาให้ข้อคิดอุบายวางใจสำหรับคนที่มีเวลาเหลือน้อยในชีวิตค่ะสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของใจไดในายามยากเช่นในายามตายนี่ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะก็คือความสงบของใจเะะนั้นถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยเราก็ควรที่จะมา ทุ่มเทกับการสร้างธรรมะให้กับใจจะดีกว่าเพราะว่าจะเป็นที่พึ่งของใจได้เวลาที่ใจจะต้องพบกับความตายเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของใจได้ในยามยากต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายได้ แต่ถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายได้อย่างปิดทิ้งจะจะ ต, ตายจะอยู่กับความตายก่อนตายก่อนจะตายก็จะอยู่อย่างมีความสุขมีความสงบขณะที่ตายก็ตายอย่างสงบแล้วตายไปก็จะไปสู่สุคติอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทาเช่นลูกศิษย์หลวงตา ที่เป็นโรคมะเร็งพอทราบ ว, ว่าเหลือเวลาไม่เกินหกเดือนก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องพึ่งธรรมะเพื่อจะได้ทำให้ใจสงบใจจะได้ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายก็เลยไปขออนุญาตอยู่ศึกษาปฏิบัติกับหลวงตาอยู่ได้ประมาณสักสี่เดือนไปปฏิบัติที่วันหลวงตาท่านก็เมตตาแสดงธรรมเกือบทุกคืนจน ธรรมที่ได้แสดงนี่รวบรวมมาเป็นธรรมชุดเตรียมพร้อมอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเขาเพราะขณะที่อยู่เขาก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รู้จักวิธีควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเขาก็เลยไม่ทุกข์ทุรนทุรไลเขามีที่พึ่งใจมีที่พึ่งแต่ร่างกายนี้มันไม่มีที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางร่างกายมันหมดสภาพไปแล้ว ไม่สามารถพึ่งยามไม่สามารถพึ่งอะไรได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามเรื่องของมันไม่มีใครห้ามได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุดแต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้ที่สามารถสร้างธรรมขึ้นมาเป็นที่พึ่งของใจได้ จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดรอ้อนจะไม่ทรมานไปกับความตายเลยดังนั้นถ้ามีเวลาเหลือน้อยคนที่จะรีบเล่นขวนขวายสร้างธรรมะขึ้นมาจะดีกว่าคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะคำถามจากคุณเกศนรง่าเงินคำถามแรกตอนนี้ผมเป็นคารวาสผู้กรองเรือนผมขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางการปฏิบัติโซดาปฏิมาศ เพื่อจะได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานครับคือโสดาปฏิมักรเนี่ตามหลักความจริงเนี่ยมันต้องเป็นพวกนักบวชพอเกิดต้องเป็นพวกที่มีศีลสมาธิมีปัญญาเออมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาถ้ายังไม่มีศีลสมาธิปัญญานี่ยากที่จะเป็นโสดาบันได้พวกที่เป็นค า, ารวะแล้ว บรรลุเป็นโสดาบันดานี้เพราะว่าในอดีตชาติเขาเคยสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญามาแล้วเขาก็มีภูมิเก่ามีภูมิเดิมเหมือนเด็กที่จบม .5 แล้วแล้วย้ายบ้านไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเขาก็ไปต่อม .6 ได้เลยแต่เด็กที่ยังไม่ได้เขา้าเรียนชั้นปถมเลยนี่ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปเริ่มเรียนที่ชั้นปฐมก่อนเะฉะนั้นโดยหลักของการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีทานก่อนมีศีลก่อนแล้วมีสมาธิก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่ปัญญาได้ถึงจะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันและเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์ตามลําดับได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติ ที่หวังอริยามรรคอริยผลนี่ต้องตรวจตามดูตนเองก่อนว่าตนเองมีทานหรือไม่ใจบุญสุนทานาไม่โลภไม่อยากได้ทรัพย์หรือไม่แล้วยังรักยังหวงทรัพย์ยังอยากมิยังอยากใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆอยู่ถ้าอย่างนี้ก็จะยากเพราะว่ า, าแสดงว่าใจนี้ยังยังติดอยู่ในขั้นอนุบาล ศีนก็ยังรักษาได้ไม่ไม่เต็มที่ขาดขาดกันเกินศีลห้าแล้วศีลแปดก็ยังรักษาไม่ได้แล้วจะเอาเวลาไปเจริญสมาธิทำใจให้สงบเพื่อเป็นฐานของปัญญาได้อย่างไรอันนี้ต้องดูตรงทับของตนเองว่ามีมีอะไรบ้างอยู่ในใจของตนเองอถ้าใจรวมได้นั่งสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาได้ อันนี้ก็ให้พิจารณาขันห้าไปเลยว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าปล่อยวางขันห้าได้ละสักกายทิฏฐิได้ก็เป็นพระโสดาบันได้แต่สมัยนี้จะละกันแบบคิดไม่ได้ละแบบปฏิบัติอ่านหนังสือแล้วก็คิดตามที่หนังสือก็บอกรูปไม่เที่ยงเออจริงว้ารูปไม่เที่ยงว่เวทนาไม่เที่ยงเออจริงว่า แต่พอเจอความแก่ความเจ็บความตายวุ่นขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าไม่จริงถ้าจริงแล้วต้องเฉยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษามไม่ได้แล้วใจต้องเฉยถ้าวุ่นก็นแสดงว่าไม่ใช่แล้วเพราะนั้นมันต้องมีฐานคือมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถที่จะเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการตัด สังโยยยชต่่่าาๆทีีมอูภใในใจได้คำถามที่สองค่ะทุกวันนี้ผมรักษาศีลห้ามีความตั้งมั่นที่จะไม่ละเมิดไหว้พระทุกเช้าเย็นทุกคืนก่อนนอนผมจะภาวนาพุทธโธไปด้วยจนกว่าจะหลับและอธิษฐานว่าหากคืนนี้ถ้าผมตายไปขอดวงจิตของผมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ผมปฏิบัติถูกต้องไหมครับเพื่อโสดาปฏิพันธก็อย่างที่พูดแล้วไม่รู้ฟังหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้ฟังนะเพราะคุณตอบไปเมื่อกี้นี้ก็คือหนึ่งการอธิษฐานนี่ก็ผิดแล้วอธิษฐานขอนู่นขอนี่ก็ผิดแล้วเพราะสิ่งที่เราขอนี่มันไม่ได้เกิดจากการขอมันเกิดจากการกระทําถ้าอยากจะได้เป็นโสดาบันก็ต้องละสังโยชน์ให้ได้ ทั้งยนของที่ทำให้บรรลุที่ทำให้พระเป็นพระสดาบันได้ก็มีอยู่สามสักายาทิฏฐิวิจิกิจชาและศีละพะะระตัปปรมานี่อันนี้สามข้อสักกายาทิฏฐิก็คือการเห็นว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเรา วิจิกิจช้าก็ยังสงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้บางคนก็คิดว่าอยู่ที่อินเดียออยากจะไปพบกับพระพุทธเจ้าต้องไปประเทศอินเดียถึงจะได้พบแต่พระอาหารหันต์ที่อยู่ในเมืองไทยนี่ท่านไม่ต้องไปอินเดียท่านเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมท่านั้นเห็นเราตถาคตอันนี้คือผู้ที่ปฏิบัติละสักยัตทิฏฐิได้ก็จะเห็นธรรมจะเข้าใจหลักธรรม ก็จะเข้าใจหลักของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครใจของท่านเป็นอย่างไรส่วนศีลพตัตตปรมา่ก็คือการกระทําแก้แก้ความทุกข์ต่างๆนี่ด้วยพิธีกรรมต่างๆไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาปัญหาความทุกข์ใจเกิดจากความอยากถ้าใจไม่สบายก็ต้องคนดูว่าไม่สบายเพราะอยากได้อะไรอยากให้อะไรเป็นอะไรแล้วเช่น ไม่สบายเป็นโรคมะเร็งก็ไม่สบายใจพราะอยากจะหายแต่ถ้าอยากจะสบายใจก็อย่าไปอยากหายปล่อยมันไปตามเรื่องของมันรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ช่วยไม่ได้ถ้ายินใจก็จะสบายแต่ถ้าอยากจะหายแล้วหมอบอกว่าไม่หายก็ต้องไปหาวิธีอื่นไปหาหมอดูมั่งไปหาเข้าเจ้าเข้าทรงหรือหา พิธีกรรมอะไรต่าง ๆ, ๆที่จะมาช่วยทำให้โรคมะเร็งนี้หายให้ได้อันนี้ก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้ความไม่สบายใจมันก็จะไม่หายถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะหายจากโรคนี้ในวันนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมีโรคใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วมันก็จะไม่สบายใจแบบเดิมนีกแล้วมันก็ต้องไปเจอทั้งวันนึงที่รักษาไม่ได้อยู่ดีดังนั้นวิธีที่รักษาความไม่สบายใจความทุกข์ใจต้องรักษาด้วยธรรมะ ด้วยสติด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นใจรักเห็นว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้ายอมรับนี้ได้แล้วมันจะไม่ทุกข์มันจะสบายเวลาเจ็บก็รู้ว่า อ, อ๋อถึงเวลาที่มันจะต้องเจ็บแล้วแต่ใ จ, จังไม่ไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้่วนของร่างกายเจ็บก็เจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายไป คิดอย่างนี้คนที่มีปัญญาจะคิดแบบ น, นี้ก็จะไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อแก้ความไม่สบายใจก็จะละสังโยชน์ทั้งสามข้อนี้ได้ก็จะเป็นพระโสดาบันได้สรุปก็คือพระโสดาบันไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายแล้วไม่ไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาแก้ความไม่สบายใจของตน จะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากนี้มันอยู่ตรงไหนตอนนี้อยากกับเรื่องอะไรแล้วหยุดมันให้ได้ด้วยการพิจารณาสิ่งที่เราอยากจะให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้ให้เห็นว่าเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปเพราะมันเป็นตายรัก มันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะหยุดความอยากได้แล้วก็อยู่กับมันไปมันจะเป็นนี้ก็เป็นนี้ไปมันจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ใจจะไม่เดือดร้อนเช่นร่าง ก, กายจะเจ็บก็เจ็บไปหายก็หายไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ตายก็ตายไปอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนี้กับทุกเรื่องทุกราวกับทุกสิก่ง ท, ทุกอย่างกับทุกบุคคล กัรเรียนของครูก็เหมือนกันมันจะเรียนดีไม่เรียนดีก็เรื่องของมันเอเราสอนมันทําหน้าที่ของเราแล้วอถ้าเราบกพร่องเราก็ต้องมาแก้ที่หน้าที่ของเราแต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันดีทุกคนได้อยากให้เด็กทุกคนในห้องได้สี่จุดนี้มันเป็นไปไม่ได้บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เราก็ไม่ไปทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้อันนี้ก็หลักของ การแก้ปัญหาใจากแก้ความทุกข์ใจถ้ารู้หลักนี้แล้วก็ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆคำถามจากคุณบอซ่าค่ะตอนพิจารณาอสุภะพอพิจารณาลงไปลึกๆรู้สึกสงบสบายมากครับแต่พอลึกเข้าไปแล้วรู้สึกขนลุกจะร้องไห้แล้วก็อยากจะอาจเจียนรู้สึกว่า อาหารกําลังเคลื่อนขึ้นมาครับแล้วก็เอาพุโทโธข่มไว้อาการดีขึ้นทําอย่างไรดีครับให้พิจารณาอาสุภะได้ดีกว่านี้เพราะตอนที่พิจารณาพอลงลึกไปแล้วอยากอาเจียนทุกทีผลสุดท้ายไม่กล้าครับกลัวอาเจียนแล้วสมาธิหายหมดผลสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรในวันนั้นเลย แต่พอเอาพุโทโธมากลางไว้ช่วยได้ครับก็ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาที่มันไม่ดีก็ควรจะหยุดพิจารณาแสดงว่ามันกินยาเกินขนาดก็ได้หรือเกินกำลังของใจที่ัได้ก็คือว่าบางทีให้ยามากเกินไปหรือกำลังของคนไข้ไม่สามารถรับยาได้ขนาดนั้นก็พิจารณาถึงขั้นที่มันพอสมควร ความจริงการพิจารณาจริงๆมันต้องพิจารณาตอนที่เกิดกามอารมณ์แต่ตอนที่ยังไม่เกิดก็พิจารณาทำการบ้านไปก่อนได้ดังนั้นถ้าเราทำการบ้านอยู่แล้วทำได้ในระดับหนึ่งก็แสดงว่าสมาธิของเรามีกำลังเท่านั้นพอมันกัสมาธิอ่อนกำลังลงมันก็ทำให้อปฏิกิริยาต่อต้านทําก็ปรากฏขึ้นมาได้ เราก็ต้องกลับไปทําใจให้สงบก่อนเช่นเมื่อกี้บอกว่าใช้พุโทโธก็ถูกแล้วถ้ามานเร่เกิดอาการเนื่อจากอยากจะอาเจียนอะไรอย่างนี้ก็หยุดพิจารณาแล้วก็มาทําใจให้สงบก่อนพุโทโธพุโทโธก่อนพอจิตสงบแล้วหลังจากออกจากความสงบก็ค่อยมาพิจารณาใหม่ก็อาจจะพิจารณาได้นานขึ้นเป้าหมายของการพิจารณาที่แท้จริงก็คือเพื่อให้เราไม่หลงไม่ลืม ให้เราเห็นภาพนั้นนึกถึงภาพนั้นได้ตลอดเวลาที่เราต้องการแล้วเวลาจะใช้จริงๆก็ใช้ตอนที่มันเกิดปัญหาเท่านั้นเองแต่ที่ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อใช้ได้ให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนกับเราหัดท่องสูตรคูณเราต้องหัดท่องจนกระทั่งเราจำได้เราถึงจะหยุดท่องได้พอเราจำได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องท่องมันแล้วแต่เราไม่ได้ใช้มันนานๆเราจะใช้มันสักทีเวลาเราทาทาเลขทาอะไร ทำการบ้านที่ต้องใช้การคูณหารเราถึงจะมาใช้สูตรคูนตอนเวลานั่นอะ่ะเป็นเวลาที่จะวัดว่าการท่องสูตรคูณของเรานี้มีมีผลดีหรือไม่ดีงไงได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตอนที่เอามาทํางานเอามาใช้งานการพิจารณาสุภาษก็เหมือนกันเป็นการเหมือนกับท่องสูตรคูณพิจารณาให้มันจดมันจําให้มันอยู่ในใจของเรา พอเวลาเกิดการมารมขึ้นมาเราจะได้เอามาใช้ดับการมารมได้แต่ถ้าเราจำไม่ได้พอถึงเกิดการมารมขึ้นมาจะนึกแต่ถึงแต่ภาพสวยๆงามๆอย่างเดียวมันก็ดับไม่ได้ <Yeah. S 1> นี่คือเป้าหมายของการพิจารณาแบบทำการบ้างก็คือต้องเตรียมสร้างฐานความรู้ของธรรมไว้ในใจก่อนพอเวลาเกิดความความทุกข์ขึ้นมาที่เกิดจาก ตันหาต่างๆก็จะได้เอาฐานของความรู้ของธรรมนี่มาใช้ดับมันได้ไม่ว่าจะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหรือเป็นอสุภะนี่ก็เป็นฐานความรู้ของใจที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้มีอยู่ในใจไว้ก่อนพอเวลาที่เกิดมีทุกข์ขึ้นมาที่เกิดจากความอยากต่างๆเราจะได้เอาฐานของความรู้นี่มาใช้ดับมันได้ยิ่งไฟ ธรรมะนี่จึงไปเหมือนน้ำดับไฟเราต้องเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ที่บ้านเผื่อเวลามีไฟไหม้เราจะได้มีเครื่องดับเพลิงไว้ดับได้ทันท่วงทีถ้าเราไม่เตรียมไว้พอเกิดไฟไหม้ก็ไม่มีที่ดับเพลิงมาดับไฟฉันใดถ้าเราไม่เตรียมทำสร้างธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเราไม่สร้างอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะไว้ในใจเรา พอเกิดไฟของตันหาลุกขึ้นมาก็จะดับมันไม่ได้คำถามจากคุณพรทิพย์ค่ะคนที่ถูกตัดอวัยวะเพื่อการรักษาเช่นแขนขาหรืออวัยวะภายในบางชิ้นออกไปเช่นมดลูกไตถ้าตั้งใจปฏิบตัติสามารถบรรลุถึงนิตรพานได้หรือไม่คะการปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยที่ ใ, ใจ เป็นหลักเียงแต่ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงแต่มีร่างกายนี้มันมีส่วนสนับสนุนเท่านั้นเองแต่ความจริงถ้าเราปฏิบัติทำได้แล้วนี่เราไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้เช่นถ้าเราสร้างสติขึ้นมาได้แล้วทำใจให้สงบได้ร่างกายจะอยู่ในท่าไหนก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังสามารถเจดิสติทาสมาธิได้ทาใจให้สงบได้ พิจารณาด้วยปัญญาตัดความทุกข์ต่างๆได้แต่ตอนที่เริ่มต้นนี้ยังต้องอาศัยร่างกายพาไปวาดพาไปหาที่สงบที่วิเวกที่เหมาะสมต่อการเกาะสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเป้าหมายอยู่ที่ธรรมที่เราจะต้องสร้างขึ้นโดยอาศัยให้ร่างกายพาไปหาสถานที่ที่เหมาะสมและก็ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย มาเป็นการเสริมสร้างสติเช่นเดินจกงกรมบางทีนั่งเฉยๆใจมันลอยหรือนั่งนานๆมันเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนเอริยาบทไปดังนร่นางกายจริงๆนะไม่ค่อยมี อ, อมีความสําคัญต่อการปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ถ้าผู้ที่มีธรรมอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้อย่างพ่อพระพุทธเจ้าก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตาย นอนบรรลุก็เจ็บใกล้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช้ธรรมของพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องการจะมีอวัยวะไม่มีอวัยวะนี้มันไม่ไม่เป็นประเด็นแต่ยังต้องมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตก็แสดงว่าจิต อ, อไม่สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมได้เพราะต้องเรียนรู้จากผู้ที่ อ, อมี ผู้ที่สอนต้องมีมีเสียงพูดและผู้ที่ฟังก็ต้องมีร่างกาย mm. ก็มีหูฟังอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ยังต้องใช้ร่างกายอยู่นกเว้นว่าถ้าไปเป็เป น, เป น, เปนเทวดาแล้วก็มีผู้สอนสามารถไปสอนให้กับเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้าไปสอนให้กับพุทธมารดาได้อย่างนั้นก็ยังปฏิบัติทำได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย ก, ายก็ได้ขอเตียนพระอาจารย์ครับ มูลเหตุของคําถามเกิดจากคําถามที่เคยถามเมื่อเดือนกันยายนครับว่าขณะที่จิตใจเราเกิดการขุนมัวเลาล่อเรือ่องมุ่กหยิบมากเราก็น้อมมาดูที่ใจเราเราจะึะเห็นว่าในตัวที่เราเกิดอาการสิ่งนั้นมันคือความอยากนี้เองต่อมาหลังจากนั้นมาอีกเดือนหนึ่งอาการนั้นก็เกิดขึ้นว่าในความอยากนั้นที่แท้จริงยังมีความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นอีก ในเมื่อถ้าเกิดว่าความไม่พอใจในความสิ่งนั้นที่เกิดมันเป็นความอยากได้มาอยากนำมาให้ให้ได้ดังใจเราพอดีในตรงนั้นจิตตัวนั้นก็ขึ้นมาคือขึ้นมาว่านี่คือโลภะนะแล้วก็ดาเนินต่อไปว่าในเมื่อความอยากได้มาในสิ่งนั้นถ้าไม่มาได้มาไม่สมดังใจแล้วมันจะเกิดอาการหงดหงิดหรือว่า แสดงอาการขึ้นมาในตัวนั้นเกิดขึ้นมาอีกว่านี่คือโลนี่คือโทสะนะแล้วก็ดําเนินต่อไปอีกในเมื่อโทสะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี้แล้วสิ่งนั้นก็ตามมาความเป็นตัวของตัวความเป็นนายความเป็นเจ้าความเป็นบ่าวได้เกิดขึ้นจิตนั้นก็ขึ้นมาอีกว่านี่คือโมหะนะแล้วก็หยุดพักหนึ่งในจิตตัวนั้นก็ขึ้นมาอีกว่า จงหมุนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นคําถามของผมว่าการดําเนินนั้นถูกต้องหรือไม่แล้วแล้วการที่ให้จิตนั้นหมุนวนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนั้นคืออะไรครับก็ดูให้มันแน่ใจว่าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาหรือไม่ถ้าเห็นแล้วเราสลัดความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นได้มันก็จะบทปัญหาไปถ้าเรายังเห็นว่ามัน มันสุกอยู่มันก็ยังจะสลัดความยินดีไปไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามัน เ, เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับสั่งให้อยู่กับเราเป็นของเราไม่ได้ตลอดมันก็ยังสลัดความยึดติดไม่ได้ถ้ายังเห็นว่ามันมันไม่เปลี่ยนแปลงยังเห็นว่ามันเป็นนิจจังอยู่มันก็ยังจะสลัดไม่ได้แต่ถ้าเห็นว่ามันมีเจริญมีเสือ่อมมีการเปลี่ยนแปลง และมันมีความทุกข์ตามมาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้ก็ให้มันเป็นของเราไปตลอดถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งนั้นได้แต่มันก็จะปล่อยเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวเรื่องอื่นที่เรายังไม่ได้พิจารณามันยังไม่ปล่อยอย่าไปคิดว่าพอปล่อยเรื่องนี้เราก็จะไปปล่อยเรื่องอื่นได้ตอนนี้เราจะติดอยู่กับยศก็ได้ ช่วงมีการเลื่อนยศเลื่อนอะไรเราจิตเราก็พะว่าโพนกับมันแต่หลังจากที่เราพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วก็เลิกไปยินดีินร้ายกับยศได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันเราก็จะบดปัญหากับยศแต่เราอาจจะไม่บดปัญหากับงานที่เราชอบทําไม่ชอบทําก็ได้อาจจะชอบงานอย่างนี้อยู่เดี๋ยวเขาย้ายเราไปทํางานอีกอย่างหนึ่งเราก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาได้ เราก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นใหม่อีกทีว่าเป็นตายรักเหมือนกันอย่าถ้าเราปล่อยได้เรื่องหนึ่งแล้วถ้าอีกเรื่องมันคล้ายๆกันมันก็ปล่อยได้ mm hmm. อางแ้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหม mm hmm. ถ้าไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติ